นมัมสการพระอาจารย์คึกฤทธิโสธิพโลที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24เดือนม ก, กราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่5ของการปฏิบัติธรรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมพุทธวจนะธรรมวินยะจากพุทธโอษโดยพระอาจารย์คึกฤทธิโสธิพโลณศูนย์วิปัสสนายุพุทธเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี เพื่อปลูกฝังศรัทธาและเพิ่มพูนสติปัญญาบารมีของผู้ปฏิบัติธรรมจึงขอกราบอาราธนาพระอาจารย์ที่โปรดเมตตาแสดงธรรมตามควรแก่เวลาขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะเจริญพรทชาเจิมทุกคน วันนี้บรรยายสองที่แล้วจะหมดสภาพไปที่เมื่อเช้าไปที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติตอนบ่ายไปที่ศูนย์พักฟื้นทหารที่บางปูก็เย็นมาปิดท้ายที่นี่ต่อ สึกเสียงจะไล่หลอไปเรอยๆทีแรกว่าจะไม่ไหวเหมือนกันก็มีได้ฉันน้ำพนาไประหว่างทางมีคนมาช่วยเติมพลังให้นหน่อยอะไรมาต่อดีกว่าว่าเวลาที่ธรรมารเจอพวกเราก็มีน้อย ก็อยากจะใช้เวลาให้คุ้มค่มา <c oughs> มีจดหมายจากใครก็ไม่รู้นะส่งมาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วก็คงจะหลายๆคนมั้งนะ บอกยูพุธทธิ迦สมาคมเป็นเจ้าของสถานที่ควรจะนำเสนอต่อไปยูพุทธมีอาจารย์มีพระอาจารย์มากมายสอนแตกต่างกันเป็นหน้ามือหลังมือคนที่จะได้พบไตลักษณ์และลิยสัตว์จะมีได้สักกี่คน <c oughs> เขก็ไฮไลท์มาสีส้มว่าเดินจงกรมบนถนนบนสนามไม่มีใครคอยแนะนำมันจะต้องมีใครแนะนำก็แนะนำไปแล้วเนี่แค่หลักการก็ขัดกับพระาศาสดาจะต้องให้ผู้เจ้าไปเดินประกบเหรใช่ไหมบางคนเดินเร็วเหมือนตามควายหาย <laughs> ไม่มีการยืนพิจารณารู้ก่อนจะหันตัวกลับหันกลับเลยทันทีและเร็วด้วยเอาแล้วใครบอกให้ช้าผู้เจ้าบอกให้ช้า ห, หรื อ, อยังไงคนเขียนไม่ได้อ้างคำภะศาสดาเลยเดินธรรมชาติได้ดี <c oughs> แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่การเก็บกักตัวแบบนี้ควรเดินธรรมชาติได้แต่ควรช้าช้าเนิบเนิบใครเป็นคนกำหนดช้าช้านิบเนิ บ, นบใช่ไหมพระศาสดาเนี่ยเคยบัญญัติเรื่องมีคำบาลีพูดว่าเดินช้าเดินเร็วเดินย่องเดินกระโยงมีหมดนะอาตมาเคยขึ้นให้ดู สองสามเอายังไม่ต้องเอาออกหลอกผือมันดังเอามาเหมือนเดิมสิเดือดโดนตัดอันนี้อันแล้วนี่เดินเดินช้าช้าเนบเนบให้มีตัวพิจารณามากๆอะไรคือตัวพิจารณาคำสาวกทั้งนั้นเลยเห็นไหยยังดูสิคนเรามัน ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็มาคอยตำหนิก็เื่นคิดว่าตัวเองถูกร้อยเปอเซ็นต์แล้วนะเนี่ยเชิญเข้ามาโต๊ะกับตมาก็ได้นะ อ, อไม่ขัดข้องนะ อ, อ่อให้มีตัวพินามากๆหรือมีการพิจารณารู้มากๆนะให้เน้นการยืนเดินนั่งนอน หย่อนตึงไหวเคลื่อนนั่นนะ่ะนี่คำสาวกนั่นนะมีหย่อนตึงไหวเคลื่อนนะั่นนะหาผู้โทษจน้นะมาให้อะตมาดูหน่อยสิโดยเฉพาะการเดินนั่นาการเดินนั้นหย่อนตึงไหวเคลื่อนมีมีมากดีมากหรือมีมากควรจะพิจารณาให้เห็นปราณี ทำให้มากๆไมิใช่การเดินแบบตามควายหายเช่นนั้น <c oughs> <c oughs> การเยืนก็เช่นกันต้องพิจารณารู้ให้มากๆจึงจะพบไตลักได้แบบเร็วด้วยก็ว่าย่องๆแล้วจะได้พบไตลักได้เร็ว ไม่ใช่ปฏิบัติสามสิบปีแล้วยังไม่พบไตลักษ์ได้เลยพบไตลักษ์มันยากขนาดนั้นวะเวลาอธิษฐานขอให้พบพระนิพพานกันทุกอาจารย์ขม่าพระอาจารย์แต่ระหว่างพบพระนิพพานในสามปีกับสามสิบปียังไม่ได้พบเลยประโยชน์ใดจะมากกว่ากัน พระธรรมพีลาดมหาหมุนีเป็นสุดยอดคุณแม่สิริพยายามหาวิธีมาช่วยพัฒนาให้ได้พบนิพพานได้และเห็วด้วย ม, มีแต่คนเลิกทั้งนั้นลืมพระเจ้าหมดเลยนะชำนานแล้วก็เดินจงกรมธรรมชาติได้สบายแบบมีตัวรู้ตัวพิจารณาได้ด้วยเป็นยังไงตัวรู้ตัวพิจารณา แม้ว่าจะวิ่งก็ยังพิจารณาได้ช้าไว้ได้พระเล่มงามนี่มันคำสาวกทั้งนั้นเนืยเป็นภาสิทธิ์ที่ยั่งยืนโอ้โหอาการลิโกด้วยนะใช้ได้ในการทุกเมื่ออั น, นิจังเนี่ยถ้าไม่ใช่คำพระศาสดาหมายเหตุทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วส่งโน้ตให้ฝ่ายวิชาการของยุวพุทธ <c oughs> แต่ทางผู้ประสานขอว่าอย่าพึ่งขอเรียนปรึกษาว่าอาจารย์ก่อนด้วยไม่ต้องการให้เป็นเรื่องนะแล้วแต่จะเป็นไม่เป็นก็ได้ได้ทั้งนั้นนะคังพระาศาสดาไม่เคยยกมาเลยเห็นไนหะเราจะยกคนนั้นคนนี้ขึ้นมาตลอดเลยลืมพระเจ้าละนะพระเจ้าเคยเดินเนี่ย เดินย่องเดินกระโยงโอ้ oh, ผู้เจ้าเดินช้ากว่าเราอีกพระองค์บอกโดยแม้หยาดแห่งน้ําเนี่ยพระองค์จะไม่ให้กระทบกระเทือนเลยด้วยว่าสัตว์เล็กๆนะอย่าได้ลําบากเพราะเราเลยผู้เจ้าฝึกนี่เป็นวัดของเดลถีเนี่ยนะท่านก็ทาํามั่งอ่ะนะสมัยท่านก่อนแตสรู้ท่านทํามาแล้วนะพระองคอ์ค่อยๆ ย, ย่ อ, ย อ, ยยองค่อยๆย่ อ, ยยองค่อยๆย่องไม่สําเร็จนะ ใครว่าย่องช้าๆมาเจอพระเจ้าไหมล่ะช้ากว่าน่ะมีไหม <c oughs> นี่เราตัดผมเล่นนวดประกอบตามซึ่งความเพียรในการตัดผมเล่นนวดเราเป็นผู้เดินกระโยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระโยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระโยงบ้าง เราประกรอบการยืนบนหนามสำเร็จการนอนบนที่นอนทำด้วยหนามเราตามเราประกรอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างเราตามเราประกรอบตามซึ่งความเพียรในการทากายให้เหือดแห้งด้วยพิธีต่างๆเช่นนี้ ด้วยาการอย่างนี้สารีบุตรนี่แหละเป็นวัดเพื่อความเป็นผู้มีตบะของเรานะมันมีอันไหนนะที่ท่านบอกว่าแม่โดยแม่หยาดแห่งน้ำเนี่ยเชคุชีวัตเห็นนะสารีบุตรเรานั้นมีสติก้าขาไปมีสติก้าขากลับ โดยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยสาลีบุตรนี้แลเป็นวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราพูะเจ้าลองมาหมดแล้ว แล้วพระเจ้าสั่งภิกษุห้ามเดินกระโยงด้วยนะในเสกยวัตเนี่ยอย่าเดินกระโยงนะอย่าเดินย่องอย่าเดินกระโยงนี่ทำมาหมดแล้วนะเคยศึกษาวินัยพระหรือ้างหรือเปล่านะว่าพระเจ้าเนี่ยสอนอย่างไรนะอ้างแต่คำคนโน้นคนนี้ไม่เคยศึกษาคำพระาศาสดาแท้ๆแล้วก็มาที่วว่าคนอื่นเห็นไห นี่คือความไม่รู้นะขายความไม่ฉลาดขายความงู้ตัวเองนะอาตาถึงบอกเอาคําพระศาสดามาวัดกันไหมล่ ะ, ะคุณอ้างคําอาจารย์คุณเราอ้างคำพระศาสดาแล้วตกลงกลายเป็นลูกศิษย์ใครพระศาสดาจะไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์คุณเหรอให้ทําตามอาจารย์คุณมันไม่ใช่เรามาสอนคําพระศาสดาคำพระศาสดาแท้ๆอยู่ที่ไหนหาที่ไหนอย่างไรอย่างนี้ยเห็นไหมโยมอาตมาจะต้อง ท่้งเถียงกับคนไปอีกกี่แสนกี่ล้านคนนะมันยากนะระบบอาจารย์ยวิยาตรเนี่ยครูอาจารย์เป็นใหญ่มันครอบงำจนแบบลืมพระพุทธเจ้าแล้วม่ไม่สนใจคำพุทธเจ้ามันก็เลยมีหลายสายนะนะหลายสายหลายค่ายหลายสํานักอันนี้เจอหมดนะในวัด <c oughs> สายอาตมาเองก็เจอนะมันเป็นหมดเนีย่ยทำยังไงจะให้เกิดความเข้าใจในหมู่ ผู้ประพฤติปฏิบัติยากเนาะความเห็นความเห็นคนเยอะไม่เห็นมีใครยอมความเห็นพระศา ส, สดา ต้องปลูกฝังกันอีกพอสมควรไม่สงสัยไม่เคยอ่านพุทธวจนะนะดังหรือยงัง สถานที่สถานที่เดียวกันอยู่คนละตึกก็สอนคนละอย่างละแปลกดีสำหรับยุคนี้ก็อย่างที่บอกเราเกิดมาในยุคที่คำสาวกมันเบ่งบานนะแต่ตมาเชื่อว่าถ้าตมาทำความเข้าใจพร้อมหลักฐานวิธีการตรวจสอบ มากขึ้นเท่าไรคําสาวกก็จะเหมือนแสงหิ่งห้อยที่พระเจ้าตัดไว้หมดราคาไปเรื่อยๆคําพระาศาสดาจะเปรียงเหมือนแสงดวงอาทิตย์ที่สาดส่องขึ้นมาแล้วเนี่ยหิ่งห้อยจะอับแสงนะคาสาวกจะหมดราคาไปนะเชิญครับท่าน คำถามมีอยู่50คำถาม16คำถามเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับขออนุญาตเริ่มที่คำถามเดินจงกรมนั่งสมาธิก่อนเป็นที่ทราบกันนี่ว่าพระอาจารย์ลูกศิษย์สายอาจารย์มั่นใช้คําบริกรรมว่าพุโทโธท่านก็หลุดพ้นกันได้หลายรูปอยากทราบว่าแนวทางที่พระอาจารย์ว่าไม่ต้องมีคําบริกรรมนี้ได้มีท่านไหนรับรองว่าหลุดพ้นแล้วบ้างหรือยังเพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติ ต, ต่อไปครับ แล้ศา ส, สดาไงรับรองจะหาใครมารับรองอยู่ผู้เจ้ารับรองไม่พออีกนละ่ะหรือว่าต้องหาอาจา ร, รย์กออาจา ร, รย์ขอรับรองโอ้ยไ่สาราสิ้นดีเลยนะยมประเมินได้ยังไงว่าไม่มีใครหลุดพ้นยมประเมินว่าเขาหลุดพ้นยมก็พลาดละยมประเมินว่าเขาไม่หลุดพ้นยมก็เป็นนางมิคาสาราละ ป ร, ประเมินนู้นประเมินนี่ผู้เจ้าบอกพระนอนนทเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตโยงยังไม่รู้หลักการในการประเมินเลยผู้เจ้าจึงเตือนว่าอนอน์เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลอย่าประมาณประเมินตรวจสอบถัดศีนบุคคลนะเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเรา หรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้โยมได้เคยได้ยินคำพระศาสดาคำนี้บ้างหรือเปล่าพระทั้งหลายที่เที่ยวประเมินบุคคลเป็นอริบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้เคยรู้คำพระศาสดาตรงนี้บ้างหรือเปล่านะเก่งเท่าตาคาโคตรไหมล่ะก็ประเมินไปสิใช่ไหนี่แหละไปแย่งหน้าที่พระพุทธเจ้าแล้วนี่คือความที่ไม่ได้ศึกษาคำศาสดาของตัวเอง ก็เที่ยวประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลไปเรื่อยทศสอพลยานยานในการรู้ความยิ่งละหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ความสามารถของสาวกโยมไปดูสิว่าพระในครั้งพุทธกาลมีใครประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลมั่งมีใครกล้าพยากรณอริบุคคลมั่งกับคนนั้นคนนี้ไม่เห็นมีเลย ขนาดพระมหาโกรธิตาเป็นพระละหันเลิกด้านปฏิสัมพิธาไปพยากรจิตตะหัดทิสาลีบุตรว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลาศิกขาไปเป็นเครื่องหัดนะพิสูจน์ทั้งหลายก็ไปถามพระเจ้าว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือน่ะพระเจ้าก็บอกว่าไม่หลอกต่อไปจิตตาหัด ท, ดทิสารีบุตร จกระลึกถึงคุณแห่งเนกขมาได้แล้วจะประพฤติปฏิบัติต่อจนเป็นพระอาหารหันต์เป็นางเจอพู้เจ้าพยากรณทับไปอีกทีหนึ่งพระอาหารหันต์ก็พลาดเห็นไนะไปเจอพระหานรประเภทสัพพันยูนโอ้โหหลักการเรา <c oughs> ยังคิดว่าพระอาจารย์มั่นเนี่ย เป็นคนใช้คำบริกรรมคนแรกเหรอเขามีมาตั้งพันกว่าปีแล้วนะมันอยู่ในพระไตรปิฎกแต่มันอยู่ในส่วนอัตถกาถามีการนับเลขด้วยนะหนึ่งสองสามอะไรต่ออะไรอย่างนี้อัตถกาถาเขาพูดมาก่อนนะเพราะนั้นเหมือนกับคำว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิที่สอนกันอยู่เนี่ย พระยุคนี้คิดเองหรือเปล่านั่งสมาธิแล้วปิง๊งคณิกาขึ้นมาเองมะไม่ใช่จำข้ามาเหมือนกันแต่จำข้อมูลผิดอาตมาชอบพูดตรงๆอย่างนี้แหละไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะอาตมาก็ศรัทธาหลวงปู่มั่นเชื่อในการปฏิบัติของท่านแต่เรื่องศรัทธาในคำสอนนั้นต้องพระพุทธเจ้าเลิ่ที่สุดนะเพราะนั้นเราท่าน เราแยกหรือเปล่าระหว่างสาวกกับศาสดานะเพราะงั้นยมรู้ไหมว่าพระสายปฏิบัติเขาใช้ตำราอะไรอาตมาอยู่กับสายปฏิบัติมากกว่า20ปีเนี่ยอาตมารู้หมดเขาอ่านอะไรกันเขาอ่านบุพสิกขายมรู้ไหมว่าบุพสิกขาเนี่ยของสมเด็จมหาสมณเจ้าเนี่ยออกมาจากไหน เอามาจากบุพสิกขาของอมโลเกิดอมโลเกิดเอามาจากไหนรู้ไหมเอามาจากคำปีวิสุทธิมาแล้ววิสุทธิมรคุณแต่งเองเหรอนะคุณก็เอาคำพระเจ้ามาแต่คุณเริ่มแต่งเองบานออกไปเรื่อยๆคำภีรวิสุทธิมาเกิดมาประมาณไหนประมาณพันกว่าปีเราทราบหมดตอนนี้เราเช็คหมดทุกตำราเนี่ยเกิดมายุคไหนวินยัยมุกของสมเด็จมาสมระเจ้าเนี่ย กี่สิบปีกี่ร้อยปีบุพศิขากี่ร้อยปีวิสุทธิมรต์นะพันกว่าปีนะของเราบาลีสามรัฐเนี่ยยม <Yeah. S 1> นะสองพันห้าร้อยปีมีใครเก่าววันนี้นะขอแค่ความเก่าก็กินกันขานแล้วใช่ไห ม, อ, มอัตมาถึงบอกเราไม่เคยตรวจสอบหลักฐานกันเลยมานานมากแล้วนะอัตมาก็เคยใช้วิสุทธิ วิสุทธิมาร์เคยใช้บุพสิกขาคาล่องมาเหมือนกันนะแต่ก็ล้างสมองตัวเองไปแล้วนะไม่เอาละไอที่เคยจำไว้อย่างคล่องแคล่วนะหัตถบาสสองศอ ก, กนหนึ่งคืบมีสอกแบมือศอกกามือก็หูมีบอกอย่างละเอียดนะแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยอืมเพราะนั้นถ้าโยมไปอยู่ในครั้งพุทธกาลแล้วยมเสนอมรรคพิธีนี้กับพระเจ้าโดนเรียบร้อย ขณะสาติแกวัตถบุตรบอกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าเรียกมาถามสาติเราสอนแก่เธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติก้มหน้าคอตกซบเซาตอบไม่ได้สั่งประชุมสงฆ์ถามภิกษุทุกลูกว่ามีใครเคยได้ยินตถาคตสอนอย่างนี้บ้างภิกษุนั่งเงียบกันหมดไม่มีโยงไปพูดอย่างนี้ผู้เจ้าก็ถามมีใครเคยได้ยินตถาคตสอนเรื่องคำบริกรรมบ้าง ทำยังไงอะใช่ไหมครูเจ้าเรียกสาติว่าโมคับบุลุตนะแต่งเติมคำพระศาสด า, า, า, าเนี่ยใช่ไหมและโยมรู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่มั่นหลุดพ้นพระพุทธโธหลวงปู่มั่นปฏิบัติอะไรมากอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลต้องเยอะต้องแยะอ น, นิจจังทุกขังนัตตาผู้ชาบอกรู้ธรรมะของพระองค์แค่คำเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วยมรู้หรือว่า ท่านบุดพน้นด้วยมักวิธีอะไรภาษาลิบุตรนี่พู้เจ้าเป็นคนอธิบายเองภาษาลิบุตรลุดพน้นยังไงนะใครสามารถตามรู้ขณะจิตของการบุดพน้นแต่ละองค์ได้นะเดาทั้งนั้นนะโยมเดาพระอานุนเห็นเทวดามากล่าวธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้า แล้วพูดสรรเสริญภาษาริบุตรเสร็จแล้วก็ลาไปพระนุ์บอกว่าสงสัยจะเป็นอนาถาบินทกาเสรฐีที่เสียชีวิตไปแล้วไปเป็นเทวดาผู้เจ้าบอกว่าไงอานุนที่เธอเดาเอานะ่ะถูกแล้วเห็นนะเดาทั้งนั้นน่ะเยอะไอ้ที่ว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้ไม่เป็นคนนี้เป็นคนนี้ไม่เป็น พระเจ้าบอกว่าไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระล้านได้เลยระยมเอาอะไรไปตรวจสอบว่าท่านเป็นหรือท่านไม่เป็นดาวเอาคิดว่านี่มีคนศรัทธามากอันนี้มีชื่อเสียงอันนี้มีตำรายเยอ ะ, ะดาเอาระยมนะฟังเขาว่ามาทำเชื่อตามๆกันไปอย่างนี้ หลักการตรวจสอบความเป็นอริบุคุณพระศาสดาให้ตรวจสอบด้วยตนเองนะไม่มีใครมาชี้ในครั้งบุตรการมีศาสดาคนเดียวที่ชี้ได้นอกนั้นไม่เคยเจอพระสารีบุตรชี้ไม่เคยเจอโมฆลคณะเลิศทางลิบชี้ไม่เคยเจอพระอนุลทธะเลิศด้านทิพยจกักรคุปชี้ว่าใครเป็นอริบุคุณไม่กล้านะไม่ใช่ฐานะของสาวก <c oughs> ตอนนั้นอาตมาไม่ต้องมีใครมารับรองหรอกเยิมนะผู้เจ้ารับรององค์เดียวพอแล้วนะอาต ม, มาไม่อยากเป็นโมคาบุรุษที่ไปเติมคำพระศาสดาภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภนะิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้ว ก็กลับไปอ่านคำนี้อีกร้อยรอบอง่ายง่ายพอเราไม่มีฮิริโอตปะในคำพูดพระศาสดาซึ่งพระศาสดาให้ใช้เป็นศาสดาแทนต่อไปทำวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรา น, นี่ยงไปทำความเข้าใจกับคำพูดพวกนี้ดูอีกทีว่า คำพูดเนี่ยตรงจริงและไม่มีใครคัดง้างติเตียนคำภาษาสาษได้เลยถ้าโยงมคัดง้างได้ยงมก็เก่งมากนะ พระอาจารย์อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจนและชี้ชีเกี่ยวกับกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาและธรรมในธรรมอีกสักครั้งครับโอ้โหโยมต้องไปฟังซีดีอัตมาบ้างนะอธิบายเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นร้อยรอบโยมรู้ไหมไอ้ข้าวันเสาร์ที่แล้วได้ดูไหมเนี่ยโยมอยู่คนบอกเลยอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับแท็กนี้แผ่นนี้ล่องนี้หน้านี้โอ้โหบอกหมดเลยเออโยมต้องเป็นแฟนพันแท้อย่างเนี้ย ฟังจนจําได้เลยอยู่แท็กไหนลายไห น, ไหนเหมือนแต่ก่อนนะตมาฟังเทปหลวงพ่อชาตมาจําได้หมดยมพูดมาปุ๊บอยู่เทปม้วนนี้นะครึ่งม้วนหนึ่งในสี่ม้วนลายบอกได้หมดอยู่ในหัวหมดนะนะคศสาวกก็อยู่ในหัวตามาหมดเหมือนกันนะแต่พอคําศาสดามาอยู่ในหัวตามาหมดโอ้ตามามรู้ได้เลยมันต่างชั้นกันเยอะนะพูดมานี่รู้เลยนี่เขียนมานี่โอห่างไกลามาก <c oughs> อ, อีกรอบก็ได้ยมดูที่ดีนะผู้รู้เราเนี่ยจิตเนี่ยรู้ลมหายใจน ะ, ะเวลารู้ลมหายใจเนี่ยใครเนี่ยโฟกัสไปที่ลมเนี่ยผู้เจ้าเรียกกายานุปัสสนารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออก สธรรมชาติมันทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยโยมผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือลมนะเฉนั้นมุมมองเนี่ยมันมองได้สี่มุมรู้ล ม, มเอาคร่าวๆก่อนรู้ลมเป็นกายานุปัสสนาเดี๋ยวจะค่อยบอกบทพินชชาพสัสสดาถ้ารู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิ ต, ตานุปัสสนาถ้ารู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่ใจรู้ลมอยู่เนี่ย เป็นเวทนานุปัสสนาถ้าเห็นความไม่เที่ยงใจมันเปลี่ยนจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเป็นธรรมานุปัสสนาอ่ะทีนี้ไปดูบทพินชนะพระศ า, ศาสดานะพรเจ้าก็จเจริญอาณาปานสติตั้งแต่ก่อนตรัสรู้เหมือนกันและตรัสรู้ได้ก็เพราะอาณาปานสติตัดด้วยพระองค์เองนะทำให้จิตปลงหลุดพ้นจากอุปาทานนะเพราะนั้น พระุทธเจ้าใช้คําว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะมีความเพียเพรเผาเกลเล็มีสัมปชัญญะมีสตินําอภิชาและโทมานั้นในโลกออกเสียได้ยมดูนะปกติพระุทธเจ้าจะพูดสติสัมปชัญญะพอมาตรงนี้พระพุทธเจ้าจะพูดสัมปชัญญ ะ, ะญญและสติมีความหมายหมดนะ ไม่ใช่พูดเล่นๆหรือลืมไปนะว่าเอ๊ะคราวนี้พูดเผลอไปเป็นสัปพัญญาขึ้นก่อนอย่างนี้ไม่ใช่นะลองเอาไปไขควนเองก็ได้ทำไมพู้เจ้าพูดสัปพัญญาขึ้นก่อนสติอนีนะนี่คือการดูกายในกายเห็นกายในกายด้วยการเห็นลมนะจิตผู้รู้ลมเวลายมนั่งรู้สึกว่าลมมันไหลเข้าไหลออกนะอันนี้เป็นกายานุปัสนาสิปทาน แต่ถ้าโยมกําลังรู้ว่าจิตเรากําลังรู้รวมเป็นจิตตาผู้เจ้าใช้บทเป็นชนะว่าอย่างไรโยมคิดดูถ้าโยมเป็นพระพุทธเจ้านะโยมจะกําหนดคําพูดยังไงโยมพูดมาจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดทันทีเลยแต่ผู้เจ้าพูดมาปั๊บตี่ต้องอากาลิโกโยมดูการอธิบายของพระศาสดาเนี่ยจะต้องไม่มีใครคัดค้างคําพูดหรือติดเตียนได้เลยต้องไม่มีช่องโหว่รูรั่วข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิน้น และต้องใช้ไปตลอดการเราสมมติตัวเองเราเป็นคนบัญญัติก็ได้เราจะบัญญัติอย่างไรนะใจรู้ลงใ่ใจจะพูดอย่างไรใช่ั้มไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> พระเจ้าจัดว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกสียได้เห็นนะขนาดพูดต่างพระสูตรกันเนี่ยต่างจังหวะกันก็ไม่มีการพูดพลาดว่าเพลอเอาสติขึ้นมาก่อนสัมปชัญญะตัดเหมือนกันเป๊ะทุกตัวอักษรเปลี่ยนนิดเดียวเราไม่กล่าวอาณาปาณสิไม่กล่าวว่าลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอลืมหลง แสดงว่าถ้าโยมรู้ลหายใจอยู่จะบอกว่าโยมเป็นผู้ขาดสติไม่ได้สติลืมหลงไม่ได้แสดงว่ามีสติสัมปชัญญะอยูนะ่เพราะนั้นแค่โยมรู้แค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วนะเป็นผู้มีสัมปชัญญะและมีความรู้ตัวละมีสติแล้วการระลึกได้ละ และนําความพอใจไม่พอใจในลูกออกได้แล้ะเวทนาเป็นยังไงพระเจ้าใช้บทปัญชนะว่าการทําในใจเป็นอย่างดีต <s kald> ่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะที่เหลือตรัสเหมือนกันหมดมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอพิชาติทั้งหมนั้นในโลกเสียได้การที่เราทำความรู้สึกทำในใจเป็นอย่างดีเนะี่ยต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกพระเจ้าบอกนั่นแหละคือเวทนาแนละนะ้นี่การกำหนดบทพิจารณาของเวทนาเห็นเวทนาในเวทนา ส่วนเห็นธรรมในธรรมพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าเธอเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่แหละนะเห็นธรรมในธรรมที่เหลือถัดเหมือนกันหมดนะแค่นี้เองโนะยมก็ลองไปให้ควรดีๆนะนั่งสมาธิแล้วกลับมาอ่านคำพุทธเจ้ากลับไปนั่งสมาธิดูลมใจใหม่กลับมาอ่านคำพุทธเจ้าตอกย้ําไปเรื่อยๆ เดี space, ๋ยวโยมจะเข้าใจว่าอ๋อทําไมผู้เจ้าพูดอย่างนี้อย่างนี้นะนัทำไมอ่านคํำผู้เจ้าเราเหมือนเปิดเฉลยเลยโอ้โหเป๊ะเลยนะอ่านั้นพอโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วโยมลงมาอ่านคํำผู้เจ้าตรงเป๊ะเจนแล้วผู้เจ้าพูดตรงมากการเจริญสติปัฏฐาน4ในหมวดอื่นนอกจากกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะการปฏิบัติอย่างไรมีพระอาจารย์ตอบแล้นะครับทำในหมวดนี้ต่างจากธรรมวิจเนตะธรรมวิจยะในโพชฌงเจตหรือเหมือนกันอย่างไรขอให้พระอาจารย์ไขข้อข้องใจด้วยครับธรรมวิจยะ น, นี่ก็เหมือนอย่างไรธรามานุปัสสนาบอกไปแล้ว ทำในหมวดนี้ต่างจากธรรมวิจยะในโพชงเจ็หรือเหมือนกันอย่างไรอ๋อก็หลายอย่างจะว่าอย่างเดียวกันก็ได้ธรรมวิจยะมีหลายระดับนะธรรมวิจยะตรงนี้ก็พูดหลายครั้งเหมือนกัน ธรรมวิจยะด้วยการใช้เหตุผลด้วยการใช้การคิดนึกต ร, รึกนิคธรรมวิจยะผู้เจ้าบอกว่าการพิจารณาให้พินาในสากรอบพินาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบานนะพินาไปแล้วยมเห็นไหมว่าอาการที่พิจารณานั้นก็มีการเกิดดับมีใครพินาอสุภะตลอดทั้งวีทั้งวันไม่ ขาดตอนเลยสักวินาทีเดียวไม่มีมีดับมีเกิดเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมาคิดอสุภาหใหม่คิดนาสุภาไปสักพักตรงนูน้นใจว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยบ้างว่าไปตรงนู้นบ้างว่าไปคิดตรงนี้บ้างอ้าวไม่ไหวแล้วต้องมานั่งทําสมาธิใหม่เฮียใครควรสอดสองธรรมจิตไม่มีกําลังก็หลุดหลุดหลุดนะต้องมาเริ่มพิจารณาใหม่ไม่เกิดปิติไม่เกิดความสุขจิตไม่ตั้งมัน่นนะ <c oughs> ธรรมวิจ ย, ยะในระดับที่ละเอียดขึ้นเป็นการเฝ้าดูเฉยๆนะเหมือนกับตัวอุเบกขาสมโพชงที่พระตถาคตบอกว่าภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตตั้งมั่นให้ดีเอาแบบง่ายๆนะ โยมจะปล่อยวางกายเนี่ยโยมก็ใช้ความคิดนึกมาพิรณาปล่อยวางกายโยมยังใช้ขันธ์ห้าอยู่เห็นไหมโยมต้องปล่อยวางขันธ์ห้านะแต่ปล่อยวางตูมเดียวยังไม่ได้โยมก็ถูกสอนว่าเอ้ยต้องปล่อยวางกายต้องพิรณาสุภาษสุภาษะเป็นไรเป็ น, นเรื่องอดีตวันนั้นไปดูศพหม่สัญญาขานธ์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปรุงแต่งไปในอนาคตเล้าแขนขาดขาขาดเนื้อตัวเปือ่อยผุพังเน่านอน ปรุงแต่งอนาคตเห็นไหสังขารใช้สัญญาสังขารมาปรุงแต่งเพื่อปล่อยวางกายโยมปล่อยวางกายได้แล้วแล้วยมจะต้องปล่อยวางไอ้สองตัวนี้ไหมก็มันยังเป็นสัญญาสังขารมันเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าถ้ายมไม่ปล่อยวางโยมก็เข้านิพพานไม่ได้โยมก็ต้องมานั่งปล่อยไอ้อสุภาของโยมอีกแล้วยมจะปล่อยวางอสุภาโยมจะทำยังไง โยมคิดเพื่อปล่อยวางความคิดเหรอก็ผิดอีกแล้วโยมต้องเห็นอนิจจังทุกขังนะตาของความคิดเห็นความคิดไม่ว่าความคิดประเภทหนก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นเวลายมจะปล่อยวางความคิดโยมจะไปคิดซ้อนคิดก็ไม่ได้ปล่อยความคิดอีกแล้วโยมก็ต้องหยุดคิดเห็นนะอยู่ที่ระดับของการปล่อยวางธรรมวิจยะเนี่ยเห็นนะ พอโยมเห็นความคิดเกิดดับไปเรื่อยๆโยมก็มองเข้าใจแล้วเอ้ยความคิดก็ไม่ต่างกับรูปเลยเกิดดับมันไม่ใช่ชีวิตนี่แต่ก่อนเราคึก ว, ว่าความคิดมันโผล่ขึ้นมาเองได้นึกว่ามันเป็นชีวิตเป็นกิเลสจริงๆมันไม่ใช่อ่ะต่อไปโยมจะเห็นอะไรเห็นจิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนะคือวิ ญ, ญญาณขันผิวผิวผู้รู้ที่เข้าไปรู้ความคิดเข้ามารู้รูปเข้าไปรู้ความจําเข้าไปรู้สุขทุกข์อย่างนี้ โยมก็รู้จักแล้วว่าความคิดความจําก็ไม่ใช่ชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีขึ้นเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้ดับไปเพราะวิญญาณดับไปโยมก็อ่ะมันก็เหมือนโกรธหินดินทรายเราจะไปสนใจมันทําไมเราจะหาสัจจากความจริงโยมก็เข้ามามองที่จิตว่เอาให้จิตผู้รู้มันเป็นตัววิ่งเข้าไปหาทุกเรื่องก็นึกว่าจิตตัวเองของของตัวเองจริงๆ ดูไปดูมาเอา้าไอ้จิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้ความคิดความจาก็เกิดดับอีกเนี่ยแล้วทีนี้โยมก็ต้องปล่อยจิตผู้รู้ตัวนี้อีกที่เป็นวิญญาณขันที่ยังเกิดดับทีนี้จะปล่อยผู้รู้ยังไงอ่ะถ้ายมไปคิดพิจารณาผู้จะปล่อยผู้รู้ผู้รู้ก็ไปเกาะความคิดแล้วใช้ความคิดอีกแล้ ว, ลวจะปล่อยยังไงปล่อยไม่ได้ จะปล่อยผู้รู้โยมก็ต้องเฝ้าดูมันเฉยๆนี่ก็าธรรมะวิจารย์อีกแล้วเฝ้าดูให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจางคลายการดับไปของมันเห็นนะต้องนิ่งจริงๆแล้วนิ่งจริงๆโยมจะกลับมาอยู่กับอะไรกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมนะกลับมาสู่พื้นฐานเหมือนเดิมเหมือนการ ท, ทําทีแรกเลยเพราะฉนั้นพระเจ้าถึงบอกนั่งรู้ลมหายใจนะทำแค่เนี้ยไปอย่างเดียวเนะี่ยจิตหลุดพ้นได้เลย ว่ามันจะดูได้ตั้งแต่ของหยาบไปยันของละเอียดคือรูปไปยันวิญญาณเลยสองตัวเกาะได้กันอยู่แล้วนะทํำวญไปวนมาผลที่สุดพอไปเจอผู้รู้ต้องการปล่อยวางผู้รู้กลับมานั่งดูลงมายใจเหมือนเดิมโอโหเอ้ยนะนั่งทําอยู่ต้องนานนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คงพอเข้าใจนะพระอาจารย์ให้พิจารณาการเกิดดับของขันห้าในเวลานั่งสมาธิ ขอคอธิบายพร้ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเพื่อผู้ปฏิบัติจะได้เข้าใจที่ถูกต้องครับเวลาโยมถามหรือเขียนคำถามเนี่ยนะโยมต้องพยายามนึกถึงพระเจ้าบ่อยๆไม่ใช่อัตมาให้พิจารณาเห็นการเกิดดับโยมต้องบอกทําไมพระศาสดาให้พิจารณาเห็นการเกิดดับของขันธ์หนี่เป็นบทพิญชนะของพระศาสดา ใช่ไหมอ้าไปดูซิพระศาสดาพูดนี้จริงไหมเนี่ยโยมต้องพูดถึงพระเจ้านะคําพูดพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ทําไมพระเจ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> เรื่องการสิ้นนัสวเราความความสิ้นนัสวาพราะองค์ใส่ปฐมฌารย์ทุติยฌานอืมอืมนะ <c oughs> พ อ, อได้ปตุมะชานแล้วนะอันนี้ผู้เจ้าไล่จากปตมะชานถึงสัญญาวเวทินิโรธแล้วเริ่มอธิบายยกตัวอย่างจากปตมะชานไล่ไปทีละระดับในทุกสมาธิทุกขั้ น, นในปฐมะชานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาภาษเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนอยากใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะนั้นเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเสื่อมสลายลองไปดูเธอดารงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นดำรงจิตด้วยการเห็นการเกิดดับ อย่างนั้นด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตาาธุด้วยการกําหนดว่านั่นสงบประงับนั่นปราณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปทิศทั้งปวงเป็นที่สิ้นแปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานเวลายมเห็นอะไรเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้ําเรื่อยๆแสนครั้งล้านครั้ง10บล้านครั้งยมจะเริ่มเห็นแล้วว่าขณะที่บรรดับไปเรายังมีความรู้อยู่ ยมจะเริ่มนน้อมจิตไปสู่ผู้ที่รู้อยู่ซึ่งการเกิดดับแต่ตัวมันไม่ได้เกิดดับไปกับสิ่งเหล่านั้นนะเนี่ยคือการน้อมจิตไปสู่อมาตะธาตุเข้าใจไหมผู้เจ้าตรัสตอบว่าเธอดำลงอยู่ในวิปาาัสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาดดำลงอยู่ในวิปาาัสนาญาณดำลงอยู่ในการเห็นการเกิดดับอันมีปฐมฌานเนี่ยเป็นบาฐททาน ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกาอนาคามีผู้ปรินิพานในพบนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาถ้ายังมีอาสวะเลยอยู่ก็เป็นอนาคามีมานี่ยอมต้องบอกว่าผู้เจ้าตัดอย่างนี้ทำไมผู้เจ้าถึงตัดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าสมาธิขั้นใดในเจ็ระดับแรกพระศาสดา ย, ยืนยันว่า มีการเกิดดับอยู่แน่นอนโยมไม่เชื่อทำยังไงเฝ้าดูผู้เจ้าให้เข้าไปเฝ้าดูแล้วโยมก็จะค่อยๆเห็นอ๋อมันเปลี่ยนปับ๊บเดี๋ยวไปคิดนี่เปลี่ยนปับป๊บปั๊บไปคิดนี่เวลาจิตมีสมาธิมันไม่ได้คิดเยอะนะมันเปลี่ยนนิดเดียวย น, นิดเดียวขณะที่เปลี่ยนนิดเดียวเนะี่ยความเป็นตัวตนของโยมไปพร้อมกับการเปลี่ยนโยมจะเห็นเกิดดับไหมไม่เห็น เวลาโยมมีสมาธิมากๆโยมเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเก็เราเกิดดับไปพร้อมกับมันพอกันเลยเห็นนะหน้าที่เพราะฉะนั้นทํำยังไงเฝ้าดูต่อไปเฝ้าดูต่อไปเลยทําไม่มากเสพมากทํามากจเจริญมากพระเจ้าจึงบอกสมาธิต้องทำมากทํามากโยมก็จะเฝ้าดูได้มากได้นานขึ้นโยมก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมันขยื่นนิดเดียวเว้ยมันขยับนิดเดียวนิดเดียวอย่างนี้ นน่ะเกิดดับแล้วนั่น่ะเห็นไนะมไม่ได้เกิดดับไปไกลหนีไปไหนไกลเลยนิดเดียวไม่เห็นเห็นยากนะ <c oughs> แล้วถ้าโยนไปเพลินต่ออาาัาธาลดอร่อยของสมาธิยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นทำมากเจริญมากเสพมาก แต่อย่าเพลินต่ออัตตาธาลดอร่อยของสมาธิสุขสมณัตใดๆอันเกิดขึ้นโดยอาศัยอุเบกขาบ้างดินน้ำไฟลมบ้างสุขสมณัตนั้นเรียกว่าอัตตาธะของรูปอัตตาธาของเวทนานะเพราะฉะนั้นอย่าเพลินกับมันนะมีหน้าที่ทำยังไงเห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงข้างในไหมนะแค่นี้เอง พ่อเข้าใจหมห้ยนีน่หลายๆตัวอย่างด้วยนะลองไปฟังซีดีเอามัางนะดกจะได้ตอบปัญหาน้อยละนันทีกับอุเบกขาเหมือนกันหรือไม่ครับอ่ามันคนละอาการละนันทีแล้วให้กลับมาอยู่อุเบกขาโยมกำลังเพลินกับความคิดอดีตเนี่ยโยมต้องละมันละ แล้วเนี่ยไม่ใช่ไปรู้เรื่องใหม่ต่อไปคิดเรื่องใหม่ต่อนี่ไม่อยู่อุเบกขาละนันทิแต่ไม่อยู่อุเบกขาไปหารู้เรื่องใหม่ต่อเข้าใจ่หและนันทิปับต้องกลับอยู่อุเบกขาคือความนิ่งความว่างหรือกลับมาอยู่กับกายคือลมนะนี่ถ้าเราจะมองทุกในอริยสัจเราจะมองทุก คือการเกิดสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกข์เหตุของทุกข์คือการมีผัสสะการดับของทุกข์คือการละความเพลินวิธีการดําเนินให้สิ้นทุกข์คืออารยียบมรตมีองแปดอันนี้มองถูกต้องหรือไม่ครับทุกอยู่แต่ไขว่กันไปไขว่กันมาเพราะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยสายปฏิจจสุบาท ต, ตลอดสายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้หมด สายปฏิจจสุบาทสายใดสายหนึ่งก็ได้เห็นโด ย, ยัย y ā a r ิ s a t c ì คือเห็นการเกิดการดับของมันหลุดพ้นได้หมดผู้ช่างอธิบายด้วยพระองค์เองเลยทีละสายทีละสายทีละสายทีละสา ย, ายนะถ้าโยมอยากเส้รตรงนี้ไปอ่านปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธา ท, ทำเอาไว้หนึ่งพันกว่าหน้าเล่มนี้นั่งอ่าน ห้าปีสิบปีกระจ่างแน่นอนนะทนอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองนะสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกขนะ์ทุกข์คือการเกิดมไม่ใชนะ่เราจะมองทุกข์คือการเกิดการเกิดเป็นเหตุ ให้ทุกเกิดทุกแปล ว, ว่าแตกสลายแตกสลายขันห้าเป็นทุกเพราะขันหแตกสลายทั้งหมดนะธรรมชาติใดก็ตามที่มีการแตกสลายธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่าก่องทุกเกิดเป็นเหตุของชลาโมระพระเจ้าถามพระนนท์ไงอนนท์ อะไรเป็นเหตุปัจจัยของชลาและมรณะฉนะลามรณะนะมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอน ะ, ะนนลก็ตอบชาตินะคือการเกิดนะเป็นเหตุให้นําไปสู่ชลาและมรณะนะพูะเจ้าบอกถูกต้องอานน์พูะเจ้าถาม อ, อีกอานน์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอพระนลบอกไม่ได้ ถูกต้องอ น, นุนชาตมันไม่ได้เป็นตัวทุกชาติมันเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกคือแตกสลายชาติจะเรียกอย่างว่าอุปาโทปัญญาติตก็ได้เกิดปรากฏเกิดปรากฏขึ้นมาเห็นชาติเกิดแล้วอย่างนี้เหตุของทุกทั้งสายปฏิจจารย์เลยโยมพูดภาษาก็ถูก แต่ถูกไม่หมดเพราะมันทั้งสายปฏิจจ์เป็นเหตุได้การดับของทุกและความเผลินก็ถูกดับตัณหาก็ถูกดับผัสสะก็ถูกสายปฏิจจ์เป็นเหตุให้ทุกดับได้หมดเช่นกันมรรคทีนทางดับทุกถูกตอ้อง ห, หากเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาในจิตระหว่างนั่งสมาธิควรจะไปบัตอย่างไรและในพุทธวจนะมีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ โอ้ยอย่แย่มารักวางเพลิ น, นง่ายสุดเร็วสุดดับการเกิดเลยไงจิตกำลังจิตสร้างอารมณ์รับรู้ปับ๊บจิตเกาะอยู่กับกายแล้วหลุดไปขณะหลุดไปนั่นคือดับแล้วเกิดถ้ายงไปดูพระสูตรที่พูะเจ้าบอกนะ ว่าขณะจิตมีการมากันไปจะมีตายและมีเกิดไม่พูดสลับกันเลยนะว่ามีเกิดและมีตายต้องมีตายก่อนแล้วมีเกิดโอ้โหโยมผู้เจ้าคมมากทุกคาไม่พลาดนะเมื่อมีตายและมีเกิดนะมันก็ไปเกิดรับรู้มีพบมีกระดาษในมือนะพบเกิดปั๊บนี่อะไรจะตามมา ชาติคือสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินนะเรียกว่าจิตมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินและจบด้วยอะไรฉลามนะดับรับรู้อารมณ์ใหม่เป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชลาโมนะรู้อารมณ์ใหม่ไหลาตามต่อไปจบด้วยชลาโมนะนี่วงจรของจิตนะ ตั้หาสร้างไปอุปทานจับยึดพอจับยึดปุ๊บก็มีสิ่งนั้นนี่ันหาเป็นตัวพาไปอุปทานจับยึดถ้าไม่จับพบไม่มีนะเพราะธรรมาจับมันเลยมีจับปับ๊บมีอะไรมีพบมีกระดาษในมือพบสถานที่เกิดมีขึ้นแล้วที่พูพุทธเจ้าบอกว่า วิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณอาศัยสัญญาก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเห็นนะมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ได้อีกอุปมาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปใ น, นผืนนาแล้วน้ําคือ น, นันทิราคะทําให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมา นี่ถ้ายมรู้วงจรตรงนี้นะรู้การอธิบายของพระาศาสดาตรงนี้โอ้โหยมจะเข้าใจเรื่องการภาวนาอีกทะลุไปอีกบาทเลยแยกพบกับชาติให้ได้นะแล้วยมจะเห็นเหตุผลว่าทำไมพระาศาสดาให้ละนันทิให้ไหวที่สุดยนท้งนะยมไม่ต้องไปอยากรู้เนื้อเรื่องของความคิดความจำอะไรนั้ น, น, น มีหน้าที่รู้ว่ามันมีการเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเจ้าจะนําไปสู่ชลามานะโยนทิ้งทันทีนี่ขณะโยนทิ้งเป็นยังไงเห็นดับใช่ไหมจิตกลับมาตั้งไว้ซึ่งลงมาใจเห็นเกิดรูปเกิดจิตหลุดไปปุ๊บเห็นรูปดับเห็นนามเกิดมีสติ ด, ดึงกลับมาเห็นนามดับเห็นรูปเกิดกําหนดรู้รูปนามเกิดดับไปแล้วแค่นี้ไตรลักไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้น ไม่ได้ต้องมีพิธีการพิธีรีตองอะไรมากมายเป่มองปับ๊บปั๊บป๊ บ, ปบเห็นแล้วพอละแค่จิตไม่มีอกุศลทู้ชาติบอกเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วนะแค่นั้นเองนะเพราะนั้นละความเพลินไปเลยนะระหว่างจิตเศร้าหมองนะมีทั้งกุศลอกุศลใช้ได้หมดนะเวลานั่งสมาธิแล้วนึกโกรธคนขึ้นมาเราต้องหยุดแล้วกลับมาที่ลมหายใจ แต่ถ้าเราคิดต่อว่าแผ่เมตตาให้เขาคนเราเกิดมาปัญญาไม่เท่ากันคิดข้อทำต่างๆไม่ดีหรือครับก็เลยหลุดพ้นช้าเร็วไม่เท่ากันนั่งสมาธิแล้วโกรธกนขึ้นมาเราต้องหยุดแล้วกลับมาที่ลมหายใจแต่ถ้าคิดต่อว่าแผ่เมตตาให้เขาคนเราเกิดมาปัญญาไม่เท่ากันต่างๆคิดข้อทำต่าง ๆ, ๆไม่ดีหรือกะ ก็ทำได้พระเจ้าก็ตัดเหมือนกันมิธีีละอกุศล5ประการเมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้วเธอละอยังไม่ได้หนึ่งเธอไปหาคิดเรื่องดีไปหาคิดอะไรก็ได้เรื่องดีๆไปหาคิดเรื่องกุศลนะสอคร่ควรโทษแห่งอกุศลวิตกนั้นเดี๋ยวก็ใครควรโทษไปนี่แบบมักวิธีแบบปัญญาบใช้ความคิดเนี่ยก็หยิบ สัญญาสังขารมาฆ่าสัญญาสังขารอีกทีมันปรุงแต่งไมดีฉันปรุงแต่งดีนะปรุงแต่งดียังไม่หายปรุงแต่งไข้ควรโทษของการปรุงแต่งอันนี้อีกทีเห็นไหมสร้างพบชาติชรามอนะมาสู้กับพบชาติชรามอนนะนะแต่ถ้าโยองรู้เรื่องของพบชาติการละนันทิโอ้โหไอ้มครควิธีพวกนี้นะช้ามากยมจะเห็นเลยว่าโอโหเป็นเนิร์น า, นานช้าอยู่การปรุงแต่งกันทำไมก็ไม่รู้ สร้างชาติฉราโม น, นะอยู่ตลอดเวลาเลยน ะ, ะแค่นั้นเอง อ, ะอ่ะโยมโยมรู้ไหมการแผ่เมตตาที่เป็นไปเพื่อวิมุตต์พระโต้เนี่ยไปเจอมาว่าการแผ่เมตตากรุณามุจิตเอาเบกขาจะเข้าวิมุติได้ยังไงพระศาสดาบอกเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาแล้วกรุณามุจิะเอาเบกขาแล้วเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยเธอต้องรู้ว่า เมตตานี้ก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งทูปุงแต่งขึ้นแล้วก็จะมีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาโยมเจริญเมตตาผลที่สุดดับไหมดับเมตตาตลอดทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงทุกวินาทีไม่มีดับหมดเห็นนะถ้าโยมเห็นตรงนี้โยมก็รู้ว่าเมตตาก็เกิดดับทุกอย่างเอาอริสัต์เข้าไปจับหมดเลยเห็นว่าเนี่ยนั้นพระสูตรนี้ก็ชัดมาก ทุกอย่างลงที่อริยสัตติ 4, และนันทิเร็วสุดไม่ต้องสนใจกลับมาอยู่กับลมเหมือนเดิมนะเมื่อวานและวันนี้เวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกเหมือนมีขนนกหรือสำมลีรูปตามผิวหนังเปลือกตาบ้างแขนขาเบาบ้างหนักบ้างแต่จะพยายามดึงความสนใจกลับไม่ช่วยหายใจตลอดแต่ยอมรับว่าเหมือนถูกดึงความสนใจไปเราก็ดึงกลับเป็นอยู่อย่างนี้ทาอย่างไรดี เกิดจากจิตปรุงแต่งเองหรือไม่เพราะลืมตาดูมันไม่มีอะไรและพระเจ้าพูดถึงวิปัสสุกิเลสหรือไม่ครับวิปัสสุกิเลสเป็นอัตถกถาพระทีมพระก็หากันมาแล้วนะอยู่หน้าไหนเล่มไหนไปตามถามท่านโตเองนะ <c oughs> จิตมันปรุงแต่งอะบางทีเรานั่งนะเหมือนยุงกัดนี <c> ่ <oughs> ยุ่งหน้าอะไรลืมตา ไม่มีอะไรเลยนะคันโน่นคันนี้พอเราได้เกาสักทีอยจคันตรงนี้ละคันตรงนีเอาละคันไปเรื่อยทั้งตัวแหละนะ อ, อดทนนิดหนึ่งนะไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกอย่าลืมลมหายใจอย่างพระเจ้าท่านตัดไว้กลับมาที่ลมหายใจเดี๋ยวก็หมดไปเองอย่าไปสนใจนะเมื่อนั่งสมาธิไปได้สักระยะมีอาการขาเริ่มอวัยวะบางส่วนหายไป เช่นนี้เป็นเพราะอะไรสภาวะแบบนี้สัมพันธ์กับสมาธิในแง่บุมใดขอพระอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจด้วยครับก็มันเริ่มจะปล่อยรูปประสัญญาการหมายรู้ในรูปมันก็จะปล่อยจากของอยากก่อนธาตดินเป็นของอยาบวันนั้นโยมนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยขาหายเป็นไหนมือหายเป็นไหนนะนึกไอ้มือหายพยายามจับความรู้สึกเอามือใบายละอ่ะเนาวิาเอามือหายละเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิไป พอเริ่มเป็นระดับนี้ก็จะจะงงงงนิดนิดแต่พอเรารู้ว่าพอเราลดระดับสมาธิกลับมาออกมือมาแล้วนะพอกําหนดเข้าไปอีกอา้าหายอีกเราก็จะเริ่มเข้าใจและช่างมันนะนั่นในอากาสานัญจายเจตนะเนี่ยสมาธิระดับที่ห้าเนี่ยนะสมาธิระดับที่ห้าพระุทธเจ้าบอกว่ารูกประสัญญาการหม่รู้ในรูปทั้งหมดเนี่ยดับไปดับสนิท จิตที่แตะรูปอยู่เฉยๆเนี่ยขาดสนิทในอากาสอนัญจารตนะแต่ในจตุจัารเนี่ยแต่เกือบจะหลุดละนพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะค่อยๆจางคลายจากการหมายรู้ในรูปคือรูปสัญญาเนี่ยธาตุที่หยาบๆก็จะถูกปล่อยไปก่อนต่อมาก็จะเป็นการเริ่มที่จะปล่อยลมลมของโยมจึงละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงจตุจัาร ลมหายใจเข้าและออกไม่มีเริ่มจะหลุดละอีกนิดเดียจะหลุดละแต่พอขึ้นอาการาปุ๊บคือหลุดแบบนี้ไม่มีการหมายรู้ในรู้นะดับสนิทแค่นั้นเองอ่ะนะก็เป็นความละเอียดของสมาธิที่ละเอียดมากขึ้นนะถ้าลมหายใจแผ่วจนจับไม่ได้เลยคล้ายเพ่งลมหายใจเองและมีส ต, ติตามรู้ลมที่เพ่งเองได้หรือไม่ หรือว่าให้จับอะไรต่อครับอยู่กับความไม่มีลมนั่นแหละอยู่กับความนิ่งตรงนั้นต่อไปและเข้าไปเฝ้าดูความนิ่งต่อไปยมไม่ต้องกลับมาที่ลมยมจะเห็นว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่เคยตําหนิลมเลยแม้แต่นิดเดียวมีอยู่พัสูตรเดียวมุมเดียวนิดเดียวถ้ายมไม่เคยเห็นนะยมไปเจอก็จะเห็นว่าอ๋อมีโทษเหมือนกัน แต่พระเจ้าจะไม่พูดเยอะเพราะถ้าพูดเยอะนะโยมก็จะไปมองโทษของลงมหาใจไม่ทําอีกนะเพราะฉะนั้นลมมีประโยชน์มากพระเจ้าจะพูดแต่ประโยชน์สักเกอนะอีก 0.1% นย์ุดหเจ้าจะพูดนิดหนึ่งคนเผลอไม่เจอก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันไปนเลยนะพระเจ้าบอกว่าอั ศ, า ศ, าศาสาสะปัสสาสะเป็นอุปสรรคต่อจตุตฌาน เป็นอุปสรรคต่อการเข้าฌานที่สี่แต่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าฌานสี่เสียหายไหมล่ะไม่เสียหายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อวิมุตต์พุทเจ้าเลยพูดไว้เพียงสูตรเดียวพอนะนั้นใครต้องการสมาธิระดับฌานที่สนะก็อย่าไปสนใจลมหายใจนะอยู่กับความนิ่งไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาไอ้ลมฉันอยู่ไหนนะอย่างนี้ลดระดับลงมาอีกแล้ว ใครได้สมาธิสูงขนาดไหนพระศาสดาไม่เคยสอนให้ลดระดับลงมาเลยครูอาจารย์เรายุคปัจจุบันหรือยุคก่อนนี้คะสอนให้ลดระดับของสมาธิมาอ้าวเดี๋ยวพิจารณาไม่ได้เดี๋ยวเป็นนิ่งจมอยู่อย่างนั้นต้องลดระดับลงมาให้จิตเกิดไหวอะไรก็พูดเองอันนี้พูดเองยงจะไม่เคยเจอเลยพระสูตรหนึ่งที่ผู้เาเนี่ยสอนให้คนที่ได้สมาธิในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วลดระดับลงมาไม่ต้อง ไปให้เขาเสียความชํานาญให้เขาเสียโอกาสที่เขาจะได้สมาธิในขั้นสูงๆให้ออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่เธอถึงจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบซึ่งใครได้สมาธิสองขั้นสุดท้ายพระเจ้าบอกพระองค์สอนไม่ได้แล้วเพราะสองกลุ่มนี้ไม่มีสัญญาพระเจ้าสอนเฉพาะผู้มีสัญญาและใจ ค, ครับการเปิดบันเล็กาคำถามนะครับเมื่อวานเย็นท่านมาร์กแนะนำไม่ให้เค ร, ครียดคลัดเกินไปในการดูลมเข้าออกแต่ให้นั่งดูเหมือนดูเล่นเล่นพู้ถามลองทําตามเพราะว่ามีสมาธิมากขึ้นว่าจากการไม่เผลอจนตัวพผงะเหมือนทุกครั้งมองเห็นจิตผู้รู้ชัดกว่าเดิมเห็นจิตที่ส่งออกไปแล้วกลับมาที่จิตผู้รู้ได้ดีแต่เพราะว่าไม่รู้ความสั้นยาวของลมชัดเจนอยากสั้นว่าถ้าเราดูที่จิตผู้รู้เราต้องเห็นความสั้นยาวของลมด้วยหรือไม่ครับอ๋อไม่ต้อง ดีแม่ไม่ต้องเลยรู้แค่ว่ามีลมพอแล้วเพราะจิตมันเริ่มเริ่มปล่อยแล้วนี่เพราะฉะนั้นโยมดูบทพระชนะาพระเจ้าแรกแรกพระเจ้าจะให้รู้ลมเข้าลมออกเข้ายารู้ออกอยาออกรูออก้เข้าสั้นรู้สั้นรู้ต่อไปสเต็ปที่สามพระเจ้าจะบอกให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสื่งกายทั้งปวงรู้แค่ว่ามีลมเนี่ยไหลเข้าไหลออกแค่นั้นนะแล้วทำกายสังขารให้สงบระแบบนั้นโยม มาในสเตตที่สูงขึ้นแล้วนี่ก็ดีแล้วแค่รู้เฉยๆว่ามีลมไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดมาแล้วมันเริ่มหยาบแล้วไอ้ที่เราเคยกาหนดที่แรกมันหยาบไปแล้วเราอยากนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น น, น, นิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็ถูกแล้วดีแล้วเวลาปฏิบัติอานาปานาสติจําเป็นหรือไม่ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของอานาปานาสติกายไปเวทนาไปจิตไปทำอีกข้อหนึ่งถามว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิจะหลับ เกือบตลอดเวลาที่นั่งสมาธิขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีหรืออุบายที่จะทําให้จิตตั้งมั่นได้ดีขึ้นเวลานั่งจะตามรู้ลมหายใจได้ดีกว่าเวลาเดินจงกรมครับฉังเป็นหรือไม่ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกายวิภาจิตธรรมหลายอาจารย์สอนอย่างนี้แต่โยมไปดูอาจารย์ชื่อว่าสมณะโคดมสิสอนอยังไง <c oughs> เวลาเธอเห็นกายานุปัสนาสิบฐาน4ี่แล้วเนี่ย <c oughs> เธอก็รู้ตรงนี้ไปตามขั้นตอนไปไ ป, ไปจนถึงวิบุษได้เลยไม่เห็นต้องไหลายมาอย่างนี้เลยหลายต่อไปตามแนวนี้น ะ, นะถ้าเธอเห็นเวทนาหลาลงมาจนเห็นเวทนาเธอก็ทาตามขั้นตอนของเวทนาไปตามโพชฌงเจ็จนทำให้วิชาวิมุษบริพุนได้เลย ผู้เจ้าย้อนมาอธิบายใหม่ถ้าเธอเห็นจิตตานุปสนารู้ว่าจิตเธอกาลังรู้ลมเธอก็ทำตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ไล่ลำดับไปจนทั้งถึงบุมุษได้เลยธรรมานุปสนาก็เช่นเดียวกันพระศาสดาลงทุนพูดซ้ำสี่รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมนั่นแสดงให้เราเห็นอะไรให้เราเห็นว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นั้น สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมทํากายานุปัสนาสิประทานก็ถึงวิชาวิบุตรได้โยมทําเวทานานุปัสนาก็ถึงวิบุตรได้โยมทําจิตานุปัสนาก็ถึงวิบุตรได้โยมปฏิบัติธรมานุปัสนาก็ถึงรู้ได้หรือจะทำสี่ตัวก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หลายอาจารย์บอกต้องทํา4ตัวตัวเดียวไม่ได้อันนี้รู้ไม่หมดรู้ไม่ครบนะพระพุทธเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองอย่างละเอียด ดูในอริยสัจจากพระโอษฐ์หน้าท้าท้ายแปดร้กว่าจะเจอการอธิบายตรงนีน้หลายสิบหน้าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคําพระศัสดาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าพูดซ้ําอย่าพึ่งลาคาบมันเป็นความจําเป็นที่ต้องพูดซ้ํามันมีนัยยะสำคัญตรงนั้นที่ต้องพูดซ้ำํำแล้วจะเห็นประโยชน์ต่อไปว่าการพูดซ้ําของพระศัสดามีประโยชน์ในการใช้รีเช็คตัวเอง ตรวจสอบความเสื่อมในคําของตัวเองและซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยคําพูดซ้ํานี่แหละนะแรกๆตมาก็ําคาญเหมือนกันทําไมพระุทธเจ้าพูดซ้ํำสี่เวลานั่งอ่านทําไมนานไปนานไปเริ่มเห็นประโยชน์โอ้โหอย่างนี้เองเห็นเรลยเห็นประโยชน์แล้วตอนนี้ไม่เบื่อแล้วที่จะฟังคําซ้ําของพระพุทธเจ้าจะเริ่มอ่านทุกคําซ้ำซ้ำทำไมมีนัยยะแฝงอะไรเราจะเริ่มเก็บรายละเอียด เป็นคนไมน่มีสมาธิจะหลับเกือบตลอดเวลาที่นั่งสมาธิไปเดินมโมกมุมสิพอนั่งแล้วรู้สึกว่าจะหลับขอตัวไปเดินเลยเวลาเดินปับ๊บพอสมาธิเราต่อเนื่องเราจะนั่งได้นานขึ้นมันจะหลับน้อยลงง่วงน้อยลงเป็นธรรมดาเลยพอสมาธิมากขึ้นจิตมันจะสว่างสวัยขึ้นจิตมันจะเบิกบานขึ้นความง่วงจะลดไปเอง อุบายวิธีก็เนี่ยแหละเดีนสลับหน้าพเจ้าสอนเรียนสลับหน้าฟังลำดับญาณของท่านพระอาจารย์ในขั้นที่ห้าคือสัญญาขันธ์จะดับนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิไปได้ต่อเนื่องครั้งละประมาณสี่ชั่วโมงแล้วจะมีผลต่อความจำหรือไม่พรษลูกสาวบ่นว่านั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าความจำเสื่อมคือจำอะไรในระยะใกล้ๆไม่ค่อยได้ พอาจารย์ไขเขาคลองใจด้วยครับมีแต่สมะความจําจะดีขึ้นเป็นนั่งคิดตัวเองมันความจําเสือ่อมความจํามันเป็นอนิจจังสัญญาก็ไม่ใช่ของเราต่อให้โยมไม่นั่งสมาธิโยมคิดว่าโยมจะไม่ลืมลืมลืมทั้งนั้นน่ะจะนั่งไม่นั่งก็ลืมสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยมมันไม่ใช่ของเรา ใครคิดว่าความจำเป็นเราเราเป็นความจำความจำมีในเราเรามีในความจำเนี่ยอัตวาทุปาทานนะอุปทานในความเป็นตัวตนในการทั้งห้าจะมีสี่มุมมองอย่างนี้ก็นะ น, นั่นอย่าไปสนใจมันจำได้ก็จำมันจำไม่ได้ก็ไม่จำนะเราปฏิบัติไม่ได้เอาความจำเราปฏิบัติเอาหลุดพ้น หลุดพ้นได้ก็พอแล้วคำถามสุดท้ายของการปฏิบัตินะครับการเดินจงกรมสามารถทําสมาธิได้ถึงเก้าระดับหรือไม่มีพระสูตรเกี่ยวกับการเดินจงกรมหรือไม่อย่างไรหลักในการเดินเป็นอย่างไรครับในการเยืนเดินนั่งนอน พระสัสดาตัดไว้แค่เจตุจารย์คาที่ 4, 1, 2, 3, 4. นะี่หนึ่งสสามสเลยกว่านั้นยังไม่เจอนะเลยกว่านั้นยังไม่เจอมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปไ้ยาเพราะว่าจิตวางจากรู ป, ปรสัญญาแล้วจิตไม่เกานะรูปเมื่อจิตไม่เกาะรูปรูปจะเคลื่อนไหวา ย, ยากแล้ว แต่ชาน่งสงสจิตยังก่อรูปรูปอยู่ยังมีรูปประขันอยู่ขันห้าทำงานครบหลายลูบาจารย์สาวบอกชาน4รูปไม่มีไม่ใช่รูปยังมีอยู่พูดขัดกับพูะเจ้าเ้วเนหะ็นไหหรือในบทแผ่เมตตาบทสวดมนต์ต่างๆเราก็นั่งสวดกันไปอิมินาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ แล้วก็บอกมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันแต่งไปแต่งมาแต่งผิดนะขันขันเดียวมีไม่ได้นะแต่งเกินนะนะผู้เจ้าบัญญัติเลยว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการบัดการตายการเกิดนะของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะเห็นไหมว่าตัวเองพอ แต่งเองก็ไปพว้เนี่ยขัดกับพูะุทธเจ้าโยมดูสิตั้งแต่โยมเปิดคอร์สมาเนี่ยจนถึงวันนี้อัตมายกคำพูดผิดของอัตถกาถากี่เรื่องนะที่ขัดกับพูะุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ต้องหลายเรื่องขนาดนี้หรอกเรื่องเดียวก็ถือว่าไม่อาการลิโกและใช้ไม่ได้แล้วอหนี่เราเจอบานเลยยิ่งถ้าโยมศึกษาวินัยของพระนะโอ้โหเจอเป็นชุดเลยเพียงไปหมดเลย การเดินจงกรมผู้เชา่าตรัสไว้น้อยมากแต่แน่ๆไม่มีการเดินย่อมย่างยกเยื้องจำเลืองเดินอะไรอย่างนี้ไม่มีน ะ, ะเรามาดูบทพิชณาพัสาสดรว่าเดินช้าเดินเร็วมีไหมมีทำไมผู้เชา่าไม่สอนนะทำไมผู้เชา่าไม่มีบอกขนาดนั่งยังบอกเลยนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติมันแต่ทำไมเดินไม่พูดนะ พูดการเดินพูดยังไงเธอมีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรอสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้นการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดกันนิ่งอิริยบททั่วไปในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยใช้อย่างไรก็ทําอย่างนั้นแค่นั้นเองเนี่ยสอนอย่างเนี้ยไม่ต้องเติมไม่ต้องตัดอะไรคําพระเจ้าเลย มีพระสูตรเกี่ยวกับอ น, นิสงส์การเดินจงกรมมีอยู่ห้าอย่างที่บอกอดทนต่อการทำความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลอาหารย่อยง่ายอาพาดน้อยสมาธิอันกัดเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนอกนั้นไม่เจอเลยนะเดินปกติธรรมดาพูนะพุทธเจ้าตัดในเรื่องของการละอุศส ในข้อที่4ที่อาตมาบอกที่อันแรกเนี่ยไปคิดเรื่องกุศลอันที่2ไปไข้ขวรโทษของอกุศลทิตกนั้นอันที่3คือโยนทิ้งเลยนะเปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีถ้าไม่ต้องการมองก็หลับตาเสียหรือหันหน้าไปทางที่ตื่นเนี่ยอันที่4นี่แหละที่มีเรื่องนี้คือการบรรยายลูกประพันสันฐานแห่งอกุศลทิตกนั้นโยมฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอไปดูอุปมาแล้วจะเข้าใจมากขึ้นผู้เจ้าบอก เดินเร็วไปทําไมเดินช้าดีกว่าเดินช้าไปทําไมยืนดีกว่ายืนไปทําไมนั่งดีกว่านั่งไปทำไมนอนดีกว่าเพื่อให้การปรุงแต่งอกุศลนั้นมันเริ่มหยุดหยุดหยุดหยุ ด, ย ด, ยดนิ่งขึ้นเห็นไหมว่าคําพูดบาลีว่าเดินเร็วเดินช้ามีแต่ทําไมพระศาสดาไม่พูดสอนมาว่าให้เดินจงกรมเร็วช้าอย่างไรไม่พูดตามสะดวกน ะ, นะแค่นั้นเองนี่ดูยมวิเคราะห์คําพูดพระเจ้าให้เป็น เจ้าจะหลงลืมไหมเชื่อในความเป็นสัพพัญญุสิสาศาสดาบอกว่าพระองค์ไม่หลงลืมอะไรแล้วบทภาชนะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่ปรินิพานะและสั่งห้ามเติมห้ามตัดก็เดินจงกลมเป็นเท่านี้คำถามปฏิบัติหมดเท่านี้คำถา ม, มานรีนนิมนต์พระอาจารย์ตอบในโอกาสถัดไปครับ มีประมาณสามสิบสี่คำถามครับอีกสามสิบสี่เหรอบ่มบ่มสักนิดก็ได้อีกสักห้าก็ได้ลดทอนวันพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้จะอยู่ช่วงเช้าให้เรานิดหนึ่งพอ ด, ดีกลางวันต้องไปอัดรายการทีวีนาวเทียมตอนเย็งมีเป็นบันใจที่ ก็เลยพรุ่งนี้จะกอดตอบปัญหาให้พวกเราช่วงเชา้าเดี๋ยวคืนนีต้ตอบเพิ่มอีกสันิดก็ได้ยางพอเวลาเพิ่งสามทุ่มยี่สบนาทีสลายตนะแปลว่าอะไรมีความเกี่ยวข้องกับภสษาอย่างไรครับอ๋อโอ้โหไม่เคยพิจารณาภสษาอะไรละมั้งเนี่ยสลายนะคืออายตนะนภายในกับภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นลสสัมผัสธรรมรมเรื่องของเราไม่เคยรู้เห็นนะการพิณาผัสสะผู้เจ้าให้แยกองค์ประกอบของผัสสะการเห็นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรขณะที่มีการเห็นครั้งหนึ่งต้องมีรูปมีลูกตามีวิญญาณทางตาจากักขู่วิญญาณการได้ยินครั้งหนึ่งต้องมีอะไรมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูเห็นนะ ทุกองประกอบของภาษาจะมีสามองค์ประกอบเสมอ น, อมนี่ภาษาเรียกว่าภาษาสลายนะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดภาษะลูกตาไม่มีภาษามีได้ไหมไม่ได้มีแต่ลูกตาไม่มีรูปเลยไฟดับหมดเห็นอะไรไหมไม่เห็นองค์ประกอบไม่ครบเข้าใจไหมแค่นั้นเองเคยได้ยินคำสอนที่ว่าสัญญาบวกเวทนาเท่ากับสังขาร ถูกต้องหรือไม่อย่างไรในวงจรปฏิจจสมุป บ, บาทการทำ ง, งาของจิตจะครบรอบทั้ง12อาการทุกครั้งหรือไม่ความที่จิตมันวัยและไม่มีจิตตั้งมั่นเห็นเกิดดับพระอาจารย์บอกว่าเห็นเกิดดับในขั้นไหนก็ได้เห็นบ่อยๆจนเกิดความเบื่อเบื่อหน่ายจางคลายจนหลุดพ้นได้ใช่ไหมในข้อถามว่าอยกากทราบว่าช่วงผัสสะไปสู่เวทนา ถ้าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันมันจะเร็วมากมันจะมีการปรุงแต่งก่อนแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบหรือว่ารู้สึกเฉยๆก่อนแล้วค่อยปรุงแต่งสัญญาบวกสังขารแล้วรู้สึกอีกทีหรือที่ยกตัวอย่างมาเป็นจิตคนละดวงหมดเลยมันจะไปก่ออะไรก่อนหลังก็ได้ที่ว่าขัน5จิตวงเล็บวิญญาณเวนไปในขันทั้ง4 สลับไปสลับมาพระพุทธเจ้าเลยให้มาเกาะรูปแทนวงเล็บลมหายใจผู้ถามเข้าใจถูกผิดอย่างไรกอช่วยอธิบายครับสัญญาบโกเวทนาเพ่าการสังไม่มีวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้ไม่ใช่สัญญากับเวทนามันมาเกาะกันเกาะไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ วิญญาณเป็นคนรู้วิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้ขันทั้งสี่ขันได้ขันหนึ่งนะนั้นสัญญากับเวทนาไม่มีมาก่อกันนะในวงจรปฏิจจสุบาการทํางานของจิตจะควบคุมลออทั้งสิบสองครั้งอืมมันน่าจะโยมตัดได้เร็วที่ไหนดูอุปทานเหตุอุปทานเกิดดับก็ตัดที่ตรงนั้นนะนะมันอยู่ที่โยมตัดสายปฏิจจมีสติได้เร็วขนาดั้นมันก็จบที่ตรงนั้น ตอนที่จิตมันไวและไม่มีจิตทั้ันเห็นเกิดดับบอกว่าเห็นเกิดดับท่านไหนก็ได้เห็นบ่อยๆจนเกิดความเบื่อหน่ายจางคลายจนหลุดพ้นได้ใช่ไหมก็ใช่น่ะการเห็นเกิดดับเริ่มจากตรงไหนละ่ะ ปฐมฌานเนี่ยนั้นโยมจะเห็นสายปฏิจจเกิดดับโยมก็ต้องมีจิตปราศจากอกุศลก่อนนะแล้วถึงจะตามเห็นการเกิดดับของขันธ์หน้านะผู้เจ้าเริ่มจากตรงนี้นี่ก็ขัดกับคำสาวกที่สอนกันอยู่ทุกวันนี้ว่าวิปัสสนานะเห็นเกิดดับต้องมีในฌาน4โอ้โหว่าตมาฟังมา20กว่าปีเหมือนกันผู้เจ้าบอกตั้งแต่ปฐมฌานชนกันเปี้ยงใหญ่เลยกับพระพุทธเจ้า เหนนะอเพราะนั้นพุเจ้าเนี่ยอธิบายเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานเลยถึงสัญญาวิเทนิโรดเห็นเกิดดับได้หมดเนี่ยในความเห็น่างคนเขียนจดหมายนี่มาเลยโอ้โห و, ดูตายรักมันยากเย็นแสนเขียนขนาดนั้นเราก็ไปฟังคำไทยก็ไม่รู้คงจะไม่เคยฟังคำภศษาสดาตัวเองนะเอาพุทธวจะนะไปให้เขาอ่านซะหน่อยก็ได้นะในพระสูตรที่ว่าเรากล่าวคออำสิ้นอสวะ พระอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างบอกทีละลำดับลำดับลำดับหมดสิทธิ์คัดง้างเลยผู้เจ้าบอกด้วยว่าเราเรากล่าวเหตุผลว่าทําไมอย่างนี้เพราะอะไรรู้ได้นะจะมีคนมาคัด ง, ง, ง้างบอกด้วยนะว่าพราะองค์อาศัยเหตุอะไรในการกล่าวพร้อมยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของสมาธิ รายการนี้ก็มีการพูดซ้ำๆๆกันถึงเก้ารอบเนี่ยเปลี่ยนแต่ชื่อสมาธิเปลี่ยนชื่อสมาธิเปลี่ยนชื่อสมาธินอกนั้นบทพินจะนาะซ้ากันหมดเลยเห็นนะอยากทราบว่าช่วงผัสสะไปเวทนาทั้งเวลาอยู่ในชีวิตประจำวัน มันจะเร็วมากถูกต้องแน่นอนมันจะมีการปรุงแต่งก่อนแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เสมอไปพระศาสดาบอกอย่างนี้บุคคลเมื่อภาษากระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึ ก, กจิตจะเดินไปสามทางภาษากระทบบางทีก็ไปคิดภาษากระทบบางทีก็ไปนึกเรื่องอดีตภาษากระทบบางทีก็ไปรู้สึก สุทุกุเบคาจิตเดิมไปได้พร้อมกันทั้งสาขั้นตอนจึงไปเจออีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าบอกผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเบินาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสัญญาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสังขารเห็นนะเพราะฉะนั้นสามตัวนี้มีเหตุเกิดมาจากผัสสะเหมือนกันหมดเลยแล้วไปเชื่อมลับกับพระสูตรที่บุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกสอนรับกันนะสอนรับกันไม่ขัดแย้งกัน น, นี่ ที่ยกตัวอย่างเป็นจิตแต่ละดวงหมดเลยก่อนหลังที่ว่ากันห้าจิตวิญญาณเป็นไปในขันทั้งสี่สลับไปมาพระเจ้าเลยให้มาก่อนลมใจ้าใจตัวปิดอย่างไรก็ใช่นะวิญญาณวนอยู่ในขันทั้งสี่เนี่ย มันจะต้องปล่อยขันทั้ง5้าแล้วจะทํายังไงปล่อยตูมเดียวยังปล่อยไม่ได้ผู้เจ้าก็เอาวิญญาณมาก่อขันลูปก่อนแล้วปล่อยสามขันที่เหลือให้สํานาญแล้วปล่อยรูปสุดท้ายไปนะครับกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้ากายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกหมายถึงให้กายนิ่งๆห้ามขยับห้ามเปลี่ยนอิริบทเวลานั่งสัมผธทิชใช่ไหมถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจผิดพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วย เหลือเวลาอีกหนึ่งวันจะบดคอร์สแล้วขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ที่จะนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันของหนุ่มสาวไว้ทํางานและผู้สูงอายุด้วยคําว่าสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งอารมณ์แล้วยังแปลว่าอะไรได้อีกแล้วสังขารที่ยังเหลือในฌาน9สัญญาเวทียิตานิโรธมันเป็นอะไรในความหมายของคําว่าสังขา น, นี้และศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคืออะไรใช่ศีลหหรือไม่ครับ คำว่าฌานเกไม่มีคำว่าฌานหรือฌานะพระศาสดาใช้สุดแค่ฌานสีไม่มีคำว่าฌานในสมาธิระดับอรูปเลยแม้แต่ครั้งเดียวนายอลิสัต์ของท่านพุทธายังผิดเลยเราไปเจอพอดีท่านใช้คำว่าอากาสานัญจายตนะฌานเอ้ยโผล่มาได้ยังไงไปหาในบาลีไม่มีเติมในภาษาไทยเองเห็นไหมสแกนตัวดูทั้งหมดอรูปประสัญญาสมาบัต ทั้ง5ระดับนะมีคำวาชาไหมไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวไม่มีหลุดเลยเราเนี่ยไปใช้เองอะูประชานที่สอนกันอยู่ผู้เจ้าไม่เคยตรัสทั้งชีวิตนะลองไปดูรูกประชานนะเคยให้ดูยังไม่รู้อาจจะยังมังคอสนี้ลูประชานอะูประชานผู้เจ้าไม่เคยพูดสอนกันเต็มเลย นี่คือพสูตเดียวนะภาษาไทยกับบาลีขึ้นคู่กันให้เลยเห็นนะไฮไลท์สีน้ําเงินเห็นคําว่าลุบะชานไหม ย, ยังไม่ต้องขยายนะวิธีเช็คเนี่ย <c oughs> เอาบาลีกับไทยคําพีเดียวกันนะสแกนเจอคําว่าอารุปฌานที่เป็นพุทธวจนะในภาษาไทยมีอยู่พสูตรเดียวนะเรานึกว่ามีเราก็เลยไปเช็คบาลีทีปรากฏบาลีไม่มี เราเช็คคำหน้าคำหลังคำพีเดียวกันบรรทัดเดียวกันย่อหน้าเดียวกันหัวข้อเดียวกันทั้งหมดนะเราตรวจคำหน้าคำหลังแล้วมาดูคำตรงกลางแล้วมาไล่ดูทุกบรรทัดลองไปขยายดูมีวลีคำพูดว่าดูกราอนอนลเห็นนะนี่วลีคำพูดพระเจ้าอะูกประชานพระสูตรเดียวเท่านั้นที่อยู่ในวลีคำพูดพระเจ้านอกนั้นจะอยู่ในอภิธรรมทั้งหมดเลยในอัตถกถา หลุดมาในพุทธวจนะพะสูตรเดียวในพระสูตรเดียวนี้นะข้างหน้ามีคําว่าอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้างหลังมีคําว่าอะไรโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคไปดูบาลีบรรทัดเดียวกันหัวข้อเดียวกันคัมภีร์เดียวกันข้างหน้าคือเวทนากตังสัญญากตังสังขารกตังวิญญาณกตังเห็นนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ข้างหลังไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคว่าอันนี้จะโตทุกข์โตโรคกโตตรงกันเป๊ะ ต, ตรงกลางเป็นอะไรเป๊ะธรรมีไม่ใช่อรูปฌานนะไล่ดูทุกปรทัดมีคําว่าอรูปฌานไหมไม่มีนะนะอาจารย์ที่คอมเมนต์ตรงนี้ยังใช้อรูปฌานอยู่เลยยังไม่รู้ด้วยซ้ำแบบผู้เจ้าพระศาสดาไม่เคยตัดสอนอรูปฌานเห็นนะการที่ไม่เข้าไปเรียนรู้พุทธวจชนะก็คอมเมนต์ผิ ด, ผด บอกคนนั้นไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ได้ศึกษาให้ดีนะเ <c oughs> พราะนั้นพอไปสแกนตรวจดูในบาลีทั้งหมดที่เป็นพุทธศานาผู้เจ้าไม่มีคำว่าชาญหรือชาณะในระดับอรูปเลยและคำว่าอารูปรชาลผู้เจ้าไม่เคยตรัสทั้งชีวิตเหมือนคณิกาเบจ า, าระปนาไม่มีผิดเรื่องนี้พระภัยบูนที่วัดป่าดอนหายโศกเป็นคนเจอ โอ้นั่งตัวจอยู่นานกว่าจะเจอแล้วท่านก็แจกแจงรายละเอียดออกมาหมดแล้วแจกแจงมาด้วยว่าศาสดาใช้คำพูดอะไรใช้คำว่ารูปปสสัญญากับอรูปปสสัญญานะนั้นสมาธิ9ระดับสีสมาธิขั้นแรกคือรูปปสสัญญานะ <c oughs> สามสมาธขั้นต่อมาคืออรูปปสสัญญานะ ส่วนสองอันนี้จะเรียกว่าอายตนะอีก2นะเพราะว่ามีบ้างไม่มีบ้างการ น, นี้ดับสัญญาได้นี่โยมต้องดูหลักฐานข้อมูลตรงนี้สะกก่อนและโยมจะไม่สามารถไปเจอคำว่าอารูปฌานในพระสูตรใดเลยที่เป็นพุทธวจนะนอกจากพระสูตรนี้พระสูตรเดียวแล้วก็เป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นในภายหลังด้วยในบาลีไม่มี มีสมาธิการระดับแบ่งสัดส่วนอย่างนี้น ะ, <c oughs> ะต่อไปอ <c oughs> เดี๋ยวๆก็ีอันนี้อาจจะยังไม่จบการสังขารให้ระงรับอยู่หายใจเข้าหายใจออกนะหมาตั้งายนิ่งๆห้ามขยับปีนีมันจะนิ่งเองอะนะเพราะจะมีคนสอนสมาธิให้กายโครงบ้างกงายสั่นบ้างที่เรียกว่าตีชาน น, นั่นเพราะนั้นพระเจ้าสอนให้กายสังขารสงบประงับจริงๆเวลานั่งสมาธิไปโยมก็จะจะเห็นเองอยู่แล้วว่าเวลาจิตนิ่งเนี่ยกายจะนิ่งแป๊ะเลยไม่ขยับเลยแล้วโยมก็บอกเองอยู่แล้วว่าขาก็ไม่มีมือก็ไม่มีกายธาตุดินมันหายไปแล้วโยมจะรู้สึกแต่ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่แผ่วเบามากละเอียดเพราะนั้น โยมจะไปคล้องแม้เรื่องกายธาตุดินไหมไม่มีอะมันไม่มีแล้วอะนะมันกําลังปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้ากายยังสั่นอยู่ยังโครงอยู่อุ้ยจิตยังโยมยังเกาะ อ, อยู่กับกายเลยใช่อหมกายมันหายไปตั้งนานแล้วนะตัวธาตุดินนะไม่ใช่กายะคือธาตุดินมันหายไปตั้งนานแล้วหรือหนึ่งวันจะหมดคอส ขอคำแนะนําหน่อยที่ไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันคิดให้ฐานการงานไงนรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันหรือมักแปข้อที่2ก็ได้สัมมาสังกัปะปะคอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่เรื่อยๆคิดอกุศลมาทิ้งไปทิ้งไปการปฏิบัติเปลี่ยน3าความผิดนี้ยมเกิดมาก็ทิ้งอยู่ตลอดยมจะอยู่ที่ทํางานก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้แต่งกายชุดไรก็ได้แต่งหน้าทาปากล้องนําทําเพลงได้ ท้งส่วนทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปสินห้าบริบูรณ์โอเคแล้วนะมีกรอบในการเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกินรดอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยทำได้โยมต้องการอาริบุคคลระดับไหนอโซดาบันสกาธาคามีแค่สินห้านะดูหนังฟังเพลงแต่งหน้าทาปากได้ตามสะดวกเห็นไหมไม่ได้ขัดไายสินห้าไม่มีผิดเลยนะโยมอย่าหวั่นไหวในพระระตนตรสินห้ามัน่นคง เอาไปเลยโสดาบันผู้เจ้าแต่งกับภาษาลิบุตรไว้บอกคารวาที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบันสาราบุตรเธอรู้ไหมให้ดูสองประการนะหนึ่งเขาพ้นจากภาเวรหประการหรือยังถ้าเขาพ้นได้เป็นร้อยหนึ่งกุณสมบัติสองเขามีโสตาเป็นอย่งางขสาศีลไหมคือความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลนันเป็นที่รักของพระราชาเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ปลอยนะถ้าเขามีสองกุณธรรมนี้เนี่ย ถ้าหวังจะพยากรให้พยากรได้เลยว่าเขาเป็นสดนบันแล้วแล้วทีมพระเราไปเจอคุณสมบัติพระสดนบันอีก3ในยะนะอันนี้ของใหม่จำไว้น ะ, ะพระไปบูรไปเจอประเด็นของการที่มีศีล 5-3 สข้อแรกบวกกับสัมมาวาจาสี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม แล้วสัมมาวาจาสีไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเช่อสอเสียด น, นะะบวกกับความไม่หวั่นไหวในพระ ร, รัตนตะใรสีคุณสมบัตินี้เอสามคุณสมบัตินี้รวมกันพูุ้ทธเจ้าบอกให้พยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่มีข้ออะไรรู้ไหมสุลาน่ายินดีสำหรับพอสุลาหน่อยน ะ, ะนั้นถ้าโยมดื่มสุลา เอาสัมมาวาจาเข้าไปจับถ้าเริ่มพูดเพ้อเจ้อเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเริ่มขาดสติแล้วใช่ไหมเห็นไหมพอให้อนุญาตให้ไม่พูดเรื่องสุลาจะ แ, แสดงว่าแถมสุลาได้บ้างพผู้เจ้าเอาอะไรไปจับเอาสัมมาวาจาเข้าไปจับโอ้โหยากเข้าไปอีกขนาดไม่ดื่มสุลายังเพ้อเจ้อเลยใช่ไหมถ้าดื่มสุลาจะไปขนาดไหนเละเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยผู้เจ้าละเอียดมากนี่มุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะ พระโต้ไปเจอสองนยะนะบอกกับช่างไม้นะบอกถ้าเธอมีความมีธรรมสีประการเนี่ยเ่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีอะไรอีกอย่างหนึ่งมีจากานะ่มีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้นะเป็นคนมีใจเสียสละนะมีการให้อยู่หนึ่งนิดเนี่ยนะยินดีในการให้นะนี่ให้ปรญญากรตนได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้ว นะสอนรับอกีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจิตที่ตระนีเกิดไปา ย, ยากที่จะเข้ามรรคผลเพราะนั้นพระเจ้าสอนเรื่องทานการให้ไม่ได้ผิดเลยนะและพระเจ้าไม่ให้ห้ามผู้ใดให้ทานผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่เช mid นะนะนะั้นการให้ทานเป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพระสุรบัติโดยนัยนีนะ้อีกนัยหนึ่ง คบสัตบุตฟังธรรมนะโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมใครมีสี่คุณสมบัตินี้โสดาบันบุคคลนี่นะจำไว้อีกสามนัยยะพอดีว่าไม่มีในคู่มือโสดาบันยังขาดอีกสามสามนัยยะนี้เพิ่งไปเจอนะในนี้มี4ี่กว่านัยยะ เพราะใน3พระสูตรนี้ไม่มีในจักพระโอษฐ์ท่านไปสแกนเจอในบาลี3รัฐใน4ีผ้าเล่มนะนะนั้นเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวการพิมพ์ครั้งใหม่จะอัปเดตตรงนี้เข้าไป3ารพสูตรนะให้สมบูรณ์ขึ้นคำว่าสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งอารมณ์แล้วยังแปลว่าอะไรได้อี ก, กสังขารเป็นคำที่กว้างมากนะ ใช้ได้เยอะมากสังฆธรรมคือระบบสังสารวัตทั้งหมดระบบขันธ์ทั้งระบบไปโยอะนะนะเพราะฉะนั้นสังขารเป็นคําที่กว้างมากครูเจ้าบอกสังขารมีประมาณมากสัญญาก็มีประมาณมากนะนะแล้วสังขารที่ยังเหลืออยู่ในสัญญาเวทิตันโลดมันเป็นอะไร ความหายของสังขารนี้ผู้ย่ำบอกอะไรอัศนีติมีการรุงแต่งว่านี้เป็นเราลุกนะแต่งนิดเดียวว่านี้เป็นเราผู้รู้เป็นเราตรงเนี้ยลุงแต่งแล้วเห็นนะนี่คือสังขารที่ยังเหลือในสัญญาเวทไตรโลนนะสินน้เป็นที่รักของพระเจ้าคือสินอะไรใช่สินห้าหรือไม่สินห้าก็ใช่ สินในที่นี้คือข้อปฏิบัติที่เป็นไทยแก่ตันหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเพราะนั้นปริพาโชคเขาก็บอกเขามีสินทั้งนั้นนะโยมนะสินคือข้อปฏิบัติกายวาจาเขาบอกนี่ไงเอาน้ำนมลาดพื้นดินปูด้วยหญ้าสดเขียวนะกราบดวงอาทิตย์กราบไฟนะ แล้วก็บอกค่าขอปลงบาปอย่างนี้เนี่ยข้อปฏิบัติกายแล้วก็บอกเนี่ยสินของเขาเธอต้องทําอย่างนี้นะหรือลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นสมรอบต่อวันเนี่ยสินของเขาแต่สินนั้นเนี่ยหลุดพ้นไหมไม่หลุดพ้นเป็นไปเพื่อตัณหาไหมความอยากทิฏฐิครอบงำไหมความเห็นปิดครอบงาเห็นไนหะทุกคนบอกสินทั้งนั้นนะปริพาโชเขาบอกเขามีศินนะคือข้อปฏิบัติกายวาจาของเขาครูเจ้าเราก็มี นั้นต้องเป็นสินที่เป็นของพระรีเจ้าต่อไปมี3ามคำถามนะครับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทช่วยอธิบายดังนี้คือสังขารหมายถึงรูปหรือปรุงแต่งหรืออื่นๆพบช่วยอธิบายขยายความช่วยอธิบายส่วนที่ต่อจากมรณะด้วยอีกขอ้อนึงถามว่าเวลากลับไปปฏิบัติที่บ้านตอนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิคนรเปิด mp 3ามพูดทวีณา ฟังไปด้วยจะดีหรือไม่ถ้าเปิดเราก็จะไม่รู้ลมหายใจเพราะจะฟังไข้ครวญและจดจําหรืออาจมีข้อสงสัยควรปฏิบัติอย่างไรจะเกิดประโยชน์สูงสุดและข้อสุดท้ายถางว่าตอนนี้วัดนาประคงต้องการอาสาสมัครหรือไม่ถ้าต้องการควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างโมเลตตอนนี้เออร์ลี่ไม่ได้ทํางานมาเอะมาได้ทุกคนต้องการกําลังหมดนะมาช่วยเป็นกําลังให้ผู้เจ้า เคยชำนาญด้านไหนบอกมาเลยเดี๋ยวจับสายหน้าที่เองสมัครในที่อุโโโตนะอุโโตเป็นหัวหน้าทีมกุ ม, มาสายอยูนะนะ่นั้นท่านมีความสามารถด้านไอทีเริ่มคล่องและท่านโตเริ่มคล่องนะคุกคีกับไทมากนะแล้วก็คุกคีอยู่กับพระไตริฎกนี่ก็เริ่มรู้ประสมมากขึ้นแล้วก็เริ่ม เก่งเชื่อชามชำนาญ น, นะเดี๋ยวนี้หาอะไรนี่ปับป๊ บ, บ, บมาเจอหมด น, น, นะ <c oughs> เออหลพคุณเล่โสมาที่นำปฏิจจส่วนมากล่าวให้ก็สงสัยได้บางเทาอันนี้อ่าสังขารหมายถึงรูปหรือตกแต่งหรีออยอื่นนะเยอะทุกอย่างรูปก็เรียกสังขารก็ได้การตงแต่งก็ได้ได้เยอะ พช่วยอธิบายขยายความมุ่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วมั้งตัวที่พบแล้วก็ชาติแล้วก็ชะลาหมอ น, นะนะแล้วมาต่อส่วนที่ต่อจากชะลาหมอนะก็คือมรณะนี่มันถือว่าจบแล้วดับก็คือจบแล้วแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือความโศก ค, ความร่ําไรําพันนะอย่างเวลาสุขมันมรณะคือสุขมันดับนะสุขมันตายไปยมเกิดอะไรเสียใจเสียดายนะอาลัย แหมสุขไม่น่าดับเละกำลังสนุกสนุกอย่างนี้นใช่ไหมห น, นั่นนี้แหละการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเวลากลับไปปฏิบัติที่บ้านตอนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิคุณเปิดเอ็พีสาพุทธวจะนะฟังไปด้วยจะดีหรือไม่ก็ดีสิตั้งใจฟังตั้งใจนั่งสมาธิฟังธรรมอาตมาแต่ก่อนเป็นนักเรียนเนี่ยอาตมาฟังธรรมทุกครัง้งอาตมานั่งสมาธิเก็บประเด็นทุกประเด็น แต่พอฟังจบก็จบเลยแล้วยมก็นั่งสมาธิแบบไม่ต้องฟังเงียบๆ บ, บ้างไม่ใช่ฟังมันทั้งวีทั้งวันสังสมสุตตะเกินอีกนะเพราะฉะนั้นโยมต้องเน้นการปฏิบัติมากกว่าสังสมสุตตะแค่สอาชั่วโมงพอละไม่เกินนี้อย่าฟังมากเกินไม่ดีเหมือนกั น, นสลับกันกับรู้ลมหายใจนะวัฒนาปะโพองอาส า, าสมัครเอาได้ต้องการมาเลยนะ นะครับจากพระสูตรที่พระเจ้ากล่าวกับพายะนะครับคือภิกษุทั้งหลายสักแต่ว่าเห็นสักตัวได้ยินจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ได้ปวดขยายความหมายให้เข้าใจในพุทธชนะนี้ด้วยตรงที่คําว่าไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมถึงไม่มีครับก็โลกปัจจุบันยังไม่มีเลยโลกอื่นจะไม่มีได้ยังไงนะเพราะนั้น พระอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยจะหมดอุปพันตานุทิฏฐิความเห็นปลารบขันในเบื้องต้นคือความเห็นความเป็นตัวตนในอดีตและอภรณานุทิฏฐิความเห็นที่ปารบขันในเบื้องปลายเพราะกําลังมองขันห้าที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าไม่ใช่ตัวตนจริงมีชั่วคราวมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนี่ไงท่านเห็นอย่างนี้ังนั้นถ้าปัจจุบันไม่มี โรคหน้าโลกอื่นมีไหมไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดของจิตครั้งหนึ่งก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตามีแล้วก็จะหายไปมีแล้วก็จะหายไปพบยังไม่มีเลยนะจิตที่ปรากฏขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่หายไปและจิตก็ไม่ใช่ของเราพบหรืออารมณ์นั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วการเกิดจะมีขึ้นได้อย่างไรการเกิดจะไม่มีขึ้นนะจริงๆก็แค่นี้เองเะนั้นทําความชัดเจนในปัจจุบัน อดีตอนาคตไม่มีหมดไปเองนะอืมพอลกันนะเลกลนะพรุ่งนี้แล้วกันนะอเน่เลเวลาอ่าก็สำหรับคลิป น, นี้ก็ขอพอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาตมาจะอ่า ต, ต่างๆให้พวกเราอีกครั้งนึง ก็พวก่งนี้มาพร้อมกันตอนตี5เพื่อปฏิบัติกันในช่วงเช้านะแล้วก็เดี๋ยวไปไปพักได้